ขอกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์พระัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบคารวะพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าคนพระราชจิติเมธีพระเดตพระคุณท่านพระอาจารย์มหาดิเรกพุทธยานันโทพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสงขามธรรมวโลขอกราบคารวะพระครูบาอาจารย์อติลานุเตระ ขอความสุขความเจริญกับญาติโยมสาธุชนนักปฏิบัติธรรมทุกท่านครับก็นั่งฟังตามสบายท่านผอาจารย์ดวงศนลมาเป็นธรรมะปฏิสัมถารี่จริงตร ม, มาว่าจะมาคอยยื่นใหม่ให้ท่านให้ผู้ที่จะขึ้นธรรมะเพราะว่าเราเปลี่ยนใหม่ต่อใหม่กว่า ท่านจะยังไม่คุ้นเคยท่านก็เลยได้ให้เป็นผู้ต้อนรับปฏิสันถารับคณะพระครูบาอาจารย์กับคณะนักปฏิบัติธรรมที่มาจากไหลที่หลายแห่งแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธินุสิ์ของหลวงพ่อเทียนจิตสุโคซึ่งก็มาร่วม อาจารยบูชาในวาระปิดงานร้อยปีชาติกาลของพระเทียนจิตตสุโภคส่วนหนึ่งก็มาเพื่อแสดงความธรรมาจีให้กำลังใจหรือว่าเป็นการให้เป็นการเผยแผ่ธรรมะที่ แต่ละท่านแต่ละคนก็คงจะได้สัมผัสได้รับรสชาติา น, นั้นก็เลยได้มาร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังเกิดความเชืมแข็งดังที่หลวงพ่อเตียมท่านเคยพูดไว้ว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนน้ําสายน้อยแต่ถ้าเราทนุถนอมกันไว้ก็เหมือนน้ําสายน้อยไหลมารวมกันก็จะเป็นน้ําสายใหญ่ ก็จริงหนังที่ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าคนชุมคนกลุ่มน้อยเส้นสายหลวงปู่เทียนแต่เราดูตามจํานวนแล้วก็ยังเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็มีพลังอยู่ในตัวเพราะว่าธรรมะหลวงปู่เทียนแม้จะมีจีคนก็ยังเป็นธรรมะอยู่ในตัวก็ยังถือว่าเป็นเป็นสาระเป็นประโยชน์ที่หาที่เปรียบที่จะ ตั้งคุณค่าเสมอเหมือนได้ยากเพราว่าธรรมะสายหลวงปู่เทียนหรือว่าวิธีการปฏิบัติแบบหลวงปู่เทียนเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็รัดตรงแล้วก็มีความเป็นไปได้ในคนทุกคนแต่มาภาพก็เป็นผู้หนึ่งเป็ น, ปนลูกหลานรุ่นเหลนจะว่ารุ่นเหลนนั่นนะรุ่นเหลนรุ่นหลานเพราะว่ามาทีหลงัง มาทีหลังแต่ก็มีการได้ประพฤติปฏิบัติได้เจริญสมถะได้เจริญวิปัสนาได้เจริญสติเนี่ยในหลักของการภาวนาก็ือว่าเป็นประสบการประสบการณ์ที่ตมาได้รับจากการมาปฏิบัติก็คือเรื่องของชีวิตจิตใจเพราะว่าทำให้เกิดการรู้เข้าใจในหลักของชีวิต สิ่งถ้าเราถ้าตมาเองไม่ได้มาปฏิบัติในวิธีการแบบนี้หรือว่ามาเจริญสติแบบนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติอันใหญ่หลวงนี้มากนะักก็คงจะเหมือนคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่พอดีตมาได้มาปฏิบัติแล้วก็เลยเห็นคุณค่าว่าธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะที่ตรงรัดสั้นแนละ้วก็ได้ผล ทำให้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงนั้นจากการดูตัวเองน่ะนะตัวเองถ้าไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้จะมาพูดอย่างนี้ก็คงยากอย่ามาพูดธรรมะภาคปฏิบัติทั้งที่ทำงานเตรียมงานกันกันมาหลายวันถ้าพูดถึงเตรียมงานก็เป็นเดือนนอั้นอิ่งปีนี้เป็นการจัดงานมี มีจิจกรรมพิเศษก็คือการเดินธรรมะตาจังหวะการเตรียมงานการประสานงานการเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกก็จึงมากขึ้นกว่าทุกปีที่เคยจัดมาแต่ก็ที่ยืนหยัดในหลักคำสอนหรือหลักการด้านจิตใจได้ก็เพราะอาศัยการปฏิบัติแม้จะทำงานแม้จะกระทบกระเทือนแม้จะมีอะไรเกี่ยวข้องมากมาย แต่สภาวะของจิตมันก็ยังเป็นปกติคือมันก็มีตัวรู้สึกอย่างชัดแจ้งอยู่อย่างนั้นนี่ว่าภายนอกมันจะมีหลายเรื่องมีความเกี่ยวข้องมีภาระหน้าที่ต่างๆมากมายแต่ว่าเรื่องจิตใจมันก็คือจิตใจเดินสติมันก็คือสติตัวรู้มันก็คือตัวรู้การเตรียมงานทรั้งนี้ ตเตรียมกันมามาหลายเดือนเลยจะพอคณะจัดงานร้อยปีเฮ้ยมีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าคุณประราชกิติเมตีก็ได้ร่วมประชุมกันเรื่องจะเดินธรรมยัาตาครั้งแรกก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมงานโยมปีชา้างที่อำเภออำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โยมสมคิด ยมสมชิดนี่เป็นเลขาการจัดงานร้อยปีก็เลยปารบเรื่องจัดทากิจกรรมเกี่ยวกับการปิดงานหลวงปู่เทียนขึ้นจะมีการเดินธรรมยาตาิตาที่จริงก็ยมสมชิตก็พูดมานานนะ่ะแต่แต่ปีที่แล้วก็พูดต่อมาก็ก็เรียกว่าก็ยังเขียนว่าเป็นเรื่องยุ่งยากกันนะยมสมชิตว่าจะเดินธรรมยาตาิตา แต่มาเขาเลยว่าญาติก็ญาติไปคนเดียว <c oughs> ยือมันเกิดกกจะเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างนี้นะแต่ในที่สุดโุดรบ่อยหลายครั้งเสนอได้พ อ, อความเห็นได้ให้ข้อชิ่ต่างๆเ้าเลยเห็นดีด้วยนะนะพอการเดินเนี่ยมาญาติตานี้ก็เพื่อให้เป็นการเผยแพ่ให้คนได้รู้จักหลวงปู่เทียนและที่สำคัญก็คือให้คนได้นำอธรรมะหลวงปู่เทียนนี้ไปใช้ คือขอให้คนได้ปฏิบัติธรรมาเขอยากให้คนทุกคนที่ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติอยากให้มาปฏิบัติอยากให้มาพิสูจน์ธรรมะที่ที่มีอนิสง์ธรรมะที่เป็นจริงก็จึงก็จึงเห็นดีด้วยในการเดินอย่าง น, น้อยๆก็จะมีคนเบิงเลยนะ่ยสนใจเพราะว่าการเดินก็ต้องผ่านหมู่บ้านอ่าำอำเภอผ่านตำบล ชุมชนแลก็ทางสื่อต่างๆก็คงจะมาร่วมเผยแพร่หรือจะพอคณะสิทยิอนุสิ์ทุกที่ทุกแห่งก็คงจะได้มาร่วมกันแสดงออกก็จึงถือว่าเป็นงานสำคัญแลวก็เป็นงานเพื่อการเผยแพร่ธรรมะเพื่อที่จะให้คำสอนของปูตเตียนนี้เข้าไปอยู่ในใจอยู่ในคนที่มีโอกาส พวกเราก็เลยได้มาร่วมกันตั้งแต่ก่อนงานอืพึ่งมีปีนี้แหละคนมาก่อนงานตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดเรมีคณะนะร่วมเดินทางมาแล้วก็มาเรื่อยๆจนเมื่อวานนี้ก็เพิ่มจํานวนขึ้นจนวันนี้ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นหลักเป็นผู้ที่สนใจ แต่ยังไงก็ดีแหละนะธรรมะของน้องปูเตียนก็คืออยู่ในแต่ละบุคคลตอมาก็มีกำลังใจกำลังใจเมื่อเห็นพระครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่อย่างท่านพระอาจารย์มหาดเดละเอคุตยานันโทตะมาเคยได้รับคำสอนได้จำภรษากับท่านพระอาจารย์สมัยปี2531ที่น้องกลอดอาจารย์กระเที่ยวแวะเวียนมา คือว่ามาเป็นหลักในงานครั้งนี้ด้วยก็มีกำลังใจท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประหลาดกิติเมตีจากคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านมีเมตตามาสองปีเพราะว่าคำสอนของหลวงพุทธเทียเนี่เลยเกิดเป็นกำลังใจเกิดเป็นความที่เรียกว่าไม่เหน็ดเหนื่อย กับการทำงานกับการที่เราทำหน้าที่ซึ่งทับมิ่งขวัญนี้หลวงพ่อเทียนเคยพูดเอาไว้ว่าต่อไปภายหน้าทับมิ่งขวัญจะเป็นสถานที่ปฏิบัติไม่แพ้ที่อื่นท่านพูดในเหมือนวิซีดีต่อมาก็มองทับมิ่งขวัญเป็นลักษณะที่าเป็นภูมิประเทศเป็นสัพเยะ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การภาวนาทั้งส่วนที่เรียกว่าไปานอกรอบทับนิ่งขวานก็เป็นน้ําล้อมรอบเหมือนกับเป็นกําแพงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนักแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เรียกว่าพอดูแลง่ายยี่สิบไร่ยี่สิบไร่กับอีกสองงานแล้วก็ เมื่อสองปีที่แล้วทับนิ่งขวัญก็ได้ประกาศแต่งตั้งจากพุทธศาสนาให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายโอเคเพิ่งได้เป็นวัดแล้วก็หลังจากเป็นวัดแล้วก็ขอโฉนดที่ดินทั้งหมดนี้ก็คือได้โฉนดที่ดินแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นการฉลองวัดทับนิ่งขวัญด้วยนะเพราะว่า การที่จะได้เป็นวัดในสถานที่อย่างนี้ซึ่งเป็นเกาะน้ำท่วมแล้วก็ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าขอยากนั่นอาจารย์ก็เมื่อได้แล้วก็จึงถือว่าคณะทุกๆขั้ทนที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็มาฉลองฉลองวัดซึ่งถ้าเป็นการได้รับอนิสงก็คงจะมีความมั่นคงในการที่จะเป็นหลักในการ เป็นสำนักปฏิบัติในส่วนที่เราจะเจริญสติภาวนาแต่มาจึงถือว่าที่ที่ทับมิ่งขวันนี้เป็นที่หลวงพ่อเตียนทันฝากเอาไว้เป็นมรดกทางภายนอกแล้วก็ทางภายในทางภายนอกก็คือสถานที่ที่เป็นทรัพย์ย์ภายในก็คือเรื่องสัจธรรม ซึ่งมีเป้าหมายก็คือเพื่อให้เข้าใจในหลักแล้วก็นำไปปฏิบัติหรือว่าให้เกิดความเป็นในสภาวะจิตหรือว่าให้เกิดความไม่มีทุกข์เป้าหมายอันสูงสุดก็คงจะอยู่ตรงความไม่มีทุกข์ขอพผู้ที่มาปฏิบัติการจัดงานครั้งนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะ ท, ทุกท่านพระครูบาอาจารย์ ซึ่งท่านพระอาจารย์กษินพอาจารย์ขมกฤตพระอาจารย์ดวงศิลป์พระอาจารย์จากสุขโตพรอาจารย์วรวิทย์หรือว่าพระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ได้มาร่วมแล้วก็คณะญาติโยมก็ามาจากที่ต่างๆแต่ส่วนมากเขาเป็นญาติธรรมที่เคยมาอย่างเช่นญาติโยมมาจากหนองกรุงธนส า, ารอย่างนี้บ้านอำเภอโพวง บ้านทันประจันยวรคณะญาติโยมนี้จะมาทุกปีนะปีละสิบกว่าสิบกว่าอีกหลายท่านที่เคยมาจากภูเรือด่านซ้ายจากบ้านเจเดตัวจังหวัดเลยแถวแถบ้านเชียงกลมทางปากโชมบ้า ง, างเชียงคานบ้างทางวังสะพุงบ้างาตักจากต่างจังหวัด อันตมาก็เลยถือว่าการที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นกรณีเป็นกิจกรรมพิเศษกการจะได้เดินซึ่งก็ทราบจากจานวนที่เรายกมือนี่นะว่าน่าจะขึ้นต่อครึ่งก็ ถ, ถือว่าผู้ที่ไปก็คงจะได้สติผู้ที่อยู่ก็คงจะได้สติอาจารย์มหาลิเลศ ก, ก็จะอยู่เพื่อดูแลนักปฏิบัติ ท่านกะบอกว่าผู้ที่อยู่ก็คงจะได้ปฏิบัติแบบเข้มข้นผู้ที่ไปก็คงจะเห็นความอดทนในการเดินเดินธรรมยาตา65กิโลจากบ้านเกิดมาสู่ ท, ที่ท่านพูดภาษาว่าเชิงตะกอนนะก็คือที่มรณะก็ถือว่าเดินตามแสงเทียน เดินตามรอยหลวงปู่เทียนซึ่งก็น่าจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าอะไรคือคำสอนหลวงปู่เทียนเราจะนำมาปฏิบัตินำมาศึกษาถ้ามาก็ถือว่าการเดินธรรมยาตาครั้งนี้เพื่อให้เกิดความอดทนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อให้ได้เขาเรียกกาลังใจแนะ้่เราได้เดินผ่านพ้นไปแล้ว ก็เหมือนครั้งหนึ่งเราได้ผ่านการเดินตั้งหกสิบห้ากิโลมาแล้วแต่เขาขึ้นภู ก, กระดึงเขายังเขียนไว้ก้อนหินและผู้พิจิตรภู ก, กระดึงผู้ที่ขึ้นไปถึงยอดก็กกจะไปตายภาพเอาก้อนหินก้อนนั้นว่าได้ขึ้นมาถึงยอดแล้วฉะนั้นเราได้มาเดินร่วมกันตั้งหกสิบกว่ากิโลอย่างเงี้ยกะตีว่าเป็นการบูชาแบบ ปฏิบัติอย่างน้อยๆก็เป็นกาลังใจให้เราได้ไปทําต่อแล้วก็ให้เราได้ศึกษาแนวทางหลวงปู่เทียนที่แท้จริงถ้ามาปฏิบัติทำในแนวทางหลวงปู่เทียนก็แบบแบบลมลุกคุกคานนะนะเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนไม่ค่อยมีปัญญาเป็นคนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเข้าใจคําสอนเข้าใจในหลัก แต่ก็อาศัยกัลยาณมิตรออยู่ในสายงานมาตลอดอยู่ร่วมกับกคณะครูบาอาจารย์มาตลอดนะแต่มาก็ก็เลยอยู่ในวงการการที่เราอยู่ในวงการการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้นำปาปฏิบัติได้ศึกษาผิดแล้วแก้วนเวียนหาช่องทางแล้วก็มีโอกาสที่สำคัญก็คือได้เจ็บอารมณ์นการเจ็บอารมณ์นี่ก็ช่วยได้เยอะ คล้ายๆกับว่าเป็นทางรักลัดหลายๆขั้นตอนเลยนะการเจ็บปรรมไม่ใช่ตมรมดาเพราะฉะนั้นก็รู้ธรรมะตรงนี้ได้ก็หนึ่งนะมีกัลยาณมิตรที่ดีสองก็คือได้รับหลักธรรมที่เป็นความตรงความแม่นยำแลวก็ความถูกต้องในหลักภาวนานของจิตใจ แล้วก็ที่สามก็คือเรื่องของการที่เราได้ได้พิสูจน์ได้ทดสอบได้ภาวนาในตัวเองมาตลอดก็เลยกลายเป็นอานิสงส์เดี๋ยวนี้ตรรมาก็เลยถือว่าอยู่อยู่ได้อย่างปกตินั่นแหละอยู่ได้อย่างปกติแม้จะมีอะไรมากมายก็เป็นคนละเรื่องกัน คือคำว่าสตินี่มันยังตั้งมั่นอยู่กับชีวิตจิตใจถ้าพูดว่าความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือดูใจมันก็ดูได้ตลอดเพราะฉะนั้นการภาวนาอย่างนี้จึงถือว่ามีคุณค่าก็คือความไม่มีทุกข์มันความเครียดความตับสนวุ่นวายความวิตกกังวลความเศร้าหมองความที่จิตใจมัน มันไม่มั่นคงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้คือมองเห็นต้นเห็นปลายเห็นเหตุเห็นปัจจัยแต่ที่สําคัญก็คือมีที่ตั้งที่ตั้งตัวนี้ก็คือตัวสัมผัสรู้ตัวรู้ด้วยตัวตัวรู้ด้วยใจนะคำว่าดูใจก็ดูเป็นอย่างนี้กันแลกันคือดูใจออกใจมันจะมีอะไรไหลเข้ามาก็พอดูออก ก็พอรู้เท่าทันก็พอเห็นว่าอันนี้ควรเกียวหรือว่าอย่างนี้เป็นอะไรอย่างนี้ส่วนมากมันก็รู้จักว่าควรไม่ควรอันนี้เป็นเหตุของความวุ่นวายอันนี้เป็นเหตุของความไม่สงบมันก็รู้รู้แล้วเราก็ไม่เข้าไปตั้งแต่ต้นพนามันก็เลยสั้นเขาอันที่จะไปมันยุ่งยากวุ่นวาย ติดยึดหรือว่าข้องแวะอะไรนานๆเป็นข้ามคืนข้ามวันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนซึ่งป้องกันได้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราไม่เข้าไม่เปิดช่องไม่ไม่ให้โอกาสหรือว่าไม่นาพาอย่างนี้ไม่นําพาเข้ามาสู่ใจเราใจเรานี้แต่ก่อนไม่รู้นะต่ามาไม่รู้จริงๆเวลาเข้าไปยึดอะไรก็ยึดเวลาติดคิดอะไรก็คิด เาลาก็คือนอนไม่หลับก็คือชิดมากก็คือวิตกกังวลก็คือเศร้าหมองหมอหมยเหงาวุ่นวายก็ เ, เปลี่ยนประจําคือมันผ่านมาก็ เ, าเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอมาได้ปฏิบัติปฏิบัติกระลมลุกคุกคานอยู่กับพระครูบาอาจารย์ไปตามสายงานอยู่กับวงการการเจริญสติครูบาอาจารย์เตรอนบ้างตัวเองตเองตรียมตัวเองบ้าง ในที่สุดก็ถือว่าเป็นบุญแล้วโชคดีแล้วถือว่าไม่ขาดทุนการได้มาปฏิบัติในสายหลวงปู่เทียนไม่ขาดทุนและก็ได้กําไรและก็เป็นบุญและก็ภูมิใจในการได้ปฏิบัติอที่สาคัญก็คือส่วนนี้มันมันตั้งอยู่กับใจของเราได้ต่อเนื่องจิ่งถือว่าการทางานอย่างนี้ไม่ใช่การหลอกลวงคน ในใจเราเอาเรื่องเท็จไปไปให้คนแม้แต่เราจะประกาศทางสื่อทางคนจะเห็นเราก็ทําของจริงก็เลยก็เลยไม่เก้อเขินในการที่จะบอกว่าการเจริญสติคือการออกจากความทุกข์หรือว่าการเจริญสติทําให้จิตใจตั้งมั่นหรือว่าถ้าทุกคนมาทําแล้วสามารถสัมผัสได้อย่างเงี้ยก็ก็เลยไม่เก้อเขินในการที่จะบอกอย่างนั้น เพราะว่าสิ่งนี้มันมีในในคนทุกคนแต่มาเป็นคนปึกคนหนาเขายังสามารถสัมผัสได้คนที่มีความฉลาดคนที่มีความเขาเรียกว่ามีมีปฏิปทาถ้าเรียกว่ามีบุญวาสนาก็คงจะมีมากเหมือนกับคำพูดที่เราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบอกให้สาวกไปประกาศท่านจงประกาศธรรมไปเติม คนที่มีธุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมแล้วเขาจะเสียหายหือถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมแล้วเขาอาจจะไม่รู้จนเดี๋ยวนี้ตะมาก็ยังคิดอยู่ว่า<อ>ถ้าคนไม่รู้คนไม่ได้รู้เรื่องคือไม่ได้รับธรรมะอย่างนี้แล้วจะเกิดรู้แจ้งเองมีไหมอาคดเจีติจนคิดได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่มันจะเป็นเองนะที่มันจะเป็นโดยไม่มีใครไปสจิตโดยไม่มีใครไปเสนอนะ่โดยจะเกิดตัวพุท ธ, ธที่จิตมันไม่ยึดมั่นเนี่ยมันมันจะมียากจัตเจนั้นเราจะต้องมีการผ่านการปฏิบัติผ่านการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติในแนวนี้เนะี่ยตมาขายังเชื่อมั่นว่าแนวการเคลื่อนไหวนะไจะเคลื่อนไหวแบบไหนก็แล้วแต่ตามสภาวะ ก็ยังถือว่าเป็นที่ตั้งของจิตเป็นการดึงจิตเข้ามาสู่หลักเดิมและก็เป็นการทาให้เราจิตเรามีที่อยู่จิตที่มันเคยวุ่นวายแต่มาจึงว่าทุกคนแต่ก่อนก็ยังสงสัยในคำสอนของปุตเตียนดีกนันพอท่านพูดท่านจะเหมือนกับว่ามองในแง่ดีมาตลอดคนทุกคนมาปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ ในคนทุกคนไม่จำกัดท่านจะไม่เอามุมลบอะคนนั้นทำไม่ได้คนนี้ทำไม่ได้คนนี้ไม่แต่ส่วนมากคำพูดหลวงปู่เตียนก็คือพูดในมุมบวกก็คือในคนทุกคนมีตัวพุท ธ, ธตัวนี้อยู่แล้วแม้แต่ไอ้การที่เขาหลงก า, ก, การที่เขาโกรธการที่เขาหุดจิตเพราะเขายังไม่มีตัวตัวนี้เข้าไปอยู่ในจิต แต่มามาปฏิบัติเห็นมันยากก็เลยมุมที่คนไม่รู้ได้ก็น่าจะมีแต่พอมาปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าสัมผัสกับตัวรู้ได้มันก็คือมีได้ในคนทุกคนถ้าคนยังมีความรู้สึกตัวได้อย่างเงี้นะอันจึง่อมือว่าพวกเราซึ่งก็ได้รับกำลังใจนะโดยเฉพาะพระครู า, าจารย์ปีนี้มีพระนุ่มๆมามาก หรือพระหนุ่มๆที่มาก็ล้วนแต่เป็นพระที่ที่พร้อมที่จะมาเดินธรรมญาติตาด้วยแล้วก็คงจะเป็นกําลังในการที่จะเผยแผ่จากการเริ่มต้นจากการที่ได้มาร่วมร่วมในการยานอเบสกันอย่างเนี้ยอาจจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นอันในปีนี้ก็ปิดงานร้อยปี 100ปิดร้อยปีจะมีอีกก็คือร้อยหนึ่งปีได้ยินยมสมชิตว่าปีนี้เราเขียนว่าร้อยหนึ่งปีปีหน้าเราอาจจะเขียนว่าร้อยสองปีโอ้มันจะยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ก็ปิดร้อยปีแล้วก็อาจจะมีเป็นเป็นร้อยหนึ่งปีถ้าปีหน้ามีอีกก็คงจะเป็นร้อยสองปีร้อยสามปีแต่ถ้าให้ตามาชิตตมาชิตว่า เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เพื่อรวมพลังแต่ถ้าจะให้ได้ผลอย่างเต็มเปี่ยมอย่างเรียกว่ารัดสั้นก็คือการเจ็บอรมทําไมายังสตาในการเจ็บอรม์เพราะว่าถ้ามองประวัติย้อนหลังของตัวเองแล้วถ้าไม่มีการเจ็บอรม์นี้คงยาก ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมความเจริญทางวัตถุแล้วก็อุปนิสัยจิตใจตัวเองอ่อนแอถ้าให้มีการเจ็บอารมณ์นี้คงจะก้าวพ้นความหลงหรือว่าคงจะเข้าไปสัมผัสต่อความรู้ในสภาวะจิตนี้ยากนั้นจึงศรัทธานในการเจ็บอารมณ์จะเจ็บในที่ไหนก็แล้วแต่เพราะการเจ็บอารมณ์ก็คือการดูตัวเองอย่าง ต่อเนื่องแล้วก็เป็นการหลีกเล้นจากการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งหลายได้อย่างเรียกว่ามีกําลังใจนะถ้าลงว่าได้เจ็บอารมณ์นะกำลังใจความเข้มแข็งในการที่จะไม่ไปคล้องแวะกับส่วนปายนอกมันจะเพิ่มมากเหมือนกับว่าเราขึ้นเวทีแล้วนั่นอ่ะมันก็ต้องมีการต่อสู้ เหมือนกับเราลงสนามก็ต้องมีการเล่นตามเกมเพราะฉะนจึงถือว่าการเล่นตามเกมหรือว่าเป็นเกมมันหนึ่งเหมือนกันนะการเจ็บอารมณ์เกมวัดว่าเราจะชนะหรือจะแพ้เราจะอยู่เราจะผ่านอะไรได้บ้างแต่ละครั้งที่มีการเจ็บจึงถือว่าถ้าเรามีโอกาสก็ยังถือว่าควรจะเจ็บอารมณ์ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเป็นรูปแบบในระดับที่เรียกว่านำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสจิตใจหรืออย่าง น, น้อยๆก็ให้เรามองโลกในสองมุมสองด้านคือไม่มองสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งกันอาจจะมองเห็นทั้งขุนมองเห็นทั้งโทษหรือว่าเกิดกระทบแล้วยังรู้ว่าส่วนที่มันไม่วุ่นวายยังมีอยู่เกิดความโกรธแล้วเรายังมองว่าความไม่โกรธยังมีอยู่ มันก็คือได้มองโลกสองด้านอย่างไม น, น้อยแม้ว่าเราจะหยุดไม่ได้เวลามันกระทบอย่า ง, งยังเบรกไม่ได้แต่ก็ยังยังได้มองอยู่ในสองมุมก็จะเป็นโอกาสให้เรานั้นรู้จักขวนขวายในการที่จะหาต่างออกมากกว่านี้ถ้าเรารู้ว่าเราอ่อนแอและเราก็ต้องต้องหาต่างออกก็คือการที่จะไปภาวนาในที่ใดที่หนึ่งในโอกาส ที่เราจะต้องหาสัพยะมีกัลยาณมิตรมีกูบ า, าจารย์ช่วยเหลืออย่างนี้ก็จึงถตอว่าอย่างน้อยๆก็รับหลักการรับหลักการแล้วก็นำไปสานต่อถ้าเรายังอยู่ในเส้นทางธรรมยังอยู่ในหลักคำสอนของหลวงพ่อเทียนยังอยู่ในหลักการนี่หลวงพ่อเทียนท่านพูดไม่พูดเรื่องอื่น จมาเปิดซีดีแต่และวันนีที่เราฟังไม่มีเรื่องอื่นปุเทเถียนท่านจะพูดแต่เรื่องใจใจกับความไม่มีทุกข์ใจกับการแก้ไขใจกับการรู้จักช่องทางในการเข้าไปรู้จิตให้าะฉะนั้นจึงเป็นคาสอนที่ชัดเจนทีนี้เรามาเดินตามรอยตอนเดินครั้งแรกก็มีการตั้งชื่อบางคนก็ ก็ทีแรกก็ธรรมญาตาิตาเขาเลยบอกว่าหลายคนนะว่าธรรมญาติตาจะไปซ้ํากับกับคําพูดกับสายวิถีอื่นของสายอื่นแล้วการเปลี่ยนชื่อดีไหมท่านพระอาจารย์ของที่ทาน่าจะเป็นชื่อเดินเดินเข้าหาเทียนว่หลายคนก็ตั้งชื่อเดินตามแสงเทียนบ้างเดินจเจริญสติ เดินสู่เทียนอะไรก็แล้วแต่ในสุดก็เลยได้ชื่อว่าเทียนธรรมจาริกจากเทียนธรรมร้ำลึกสู่เทียนธรรมจาริกกันคณะลอยปีตั้งมาตั้มาก็เลยน่าจะมีชื่ออีกคําหนึ่งว่าเดินตามแสงเทียนต่อเส้นทางที่เราจะเดินจากบ้านดุงมมาถึงทับนิ่งขวันนี้จะตามรอยรองเทเทียนตลอดตั้งแต่ท่านมาจําพรรษาอยู่ที่ วัดสันติซึ่งเจ้ากระดามเพอซึ่งท่านเคยอยู่ร่วมกับหลวงพ่อเตียนท่านนะหลวงพ่อเตียนบวชใหม่หมๆก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะแต่หลวงพ่อมาหาศรีจันทร์แล้วหลวงพ่อท่านก็ยังเดินมาเปิดงานที่บ้านรานมันศีเจ้านาซึ่งเป็นหลานของท่านนะท่านบอกว่าถ้าพออยู่พอจินก็ให้เปิดงานนี้อย่าให้ขาดงานนี้เป็นงานสร้างคนงานนี้เป็นการสร้างเหมือนกับสร้างกฐิน อานิสงส์มันจะมากท่านบอกแม่รันมันแม่จูนศรีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเดินตามมาจนมาถึงบรรทาดจนมาถึงวัดป่าพุทธยานอย่างเงี้ยวัดป่าพุทธยานก็เป็นต้นเหตุก่อเกิดของของขคณะครูบาอาจารย์รุ่นแรกแรกตั้งแต่ห0 9 5้0 511 5า2 513บ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเปิกและก็ยังมีพลังอีกจนเดืนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคําเขียงหลวงพ่อทองหลวงพ่อบุญตำหลวงพ่อมาบุตทองหลวงพ่อสมหมายอะไรรุ่นที่เคยอยู่ป่าพุทธยาณหน้ารซึ่งแม้ว่าวัดป่าพุทธญานเขาจะย้ายมาไว้ที่กําเนิดเพชรแต่ว่าคําว่าพุทธยานเดิมนี่อยู่รัชพัฒแต่ขังการขอที่ตรงนั้นตั้งวิจัยคูก็ เ, เลยย้ายวัดป่าพุทธญานมาไว้ นี่กำเนดเพร็รแม้จะไม่ใช้ที่เดิมแต่ก็ยังถือว่าพุทธยาณพุทธญานญาณตัวนี้แปลว่าญาณขนส่งญาณย่อยยักษ์สละานอนหนูต่มาก็เคยได้ยินคนมาพูดโอ้เฉียนอย่างนี้ได้ยังไงญาณมันต้องไม่ใช่ญาณ น, นอนหนูอันนี้เขาถือว่าหย่อนญาณเอาความเกียรติาคนที่คคตั้งไม่รู้บาลี ทีนี้ก็มีคนหนึ่งพูดว่าโอ้คนที่ตั้งชื่อนี้เป็นหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคุณศีหานาถพิฆูรจากราจังหวัดเลยคําว่ายานตัวนี้ตมาจึงจึงถือว่าเป็นตัวขนส่งยานขนส่งให้จิตใจเราเข้าไปสู่สภาวะจิตก็คือพุทธญาณเข้าไปสู่ความเป็นพุทธญาณขนส่งดนั้นเราก็คงจะแว่ันเพนทิวัดป่าพุทธญาณ ทันที่ไกลนะจากบ้านนาโคกมาถึงวัดป่าพุทธยานนี่ร่วมสิบกิโลยังคิดว่าถ้าเราจะเปลี่ยนไปสัมที่วัดเสียไปวานวัดบั้นโพนก็ได้อยู่แต่เราก็อยากให้มาถึงพุทธยานอาจจะออกเดตชาวให้ยินพระอาจารย์กรมกิจว่าห่อข้าวใส่ในถุงพระสติคนละหอก็เดินมาเรื่อยๆถึงไหนก็จันที่นั่นก็เป็นลักษณะ คงจะให้ถึงอ่ะนะวันที่สิบเก้าเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็ต้องก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคณะปะักขุบาทจารย์เส้นตั้นก็เป็นเป็นเจ้าของงานก็ว่าได้หรือว่าเป็นผู้ที่ทํางานชื่องานเทียนทําลําลึกเป็นงานของสายงานเป็นงานของหลวงปู่เทียนเป็นงานซึ่งเส้นต้าถ้าเป็นสายอื่นเขาจะถือว่าเป็นงานที่รวมพลังอ่ะนะ อย่างสายร้องบูชาอย่างี้งานวันเกิดของปูชานะพระเป็นพันโยมนี่สองสามพันแต่ของเรานี่ด้วยความเป็นสายหลงปู่เทียนก็คือความไม่ไม่ไปยึดติดในสมมติบูชาที่ไหนก็ได้ร้อยปีที่ไหนก็ได้ก็คือมันอยู่ที่ใจอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นซึ่งก็ตามสมมติแต่ว่าเราได้มาแล้วก็คือสร้างพลังนั่น เพราะว่าธรรมะหลวงปู่เตียนท่านฝากเอาไว้ว่าให้ช่วยกันดูแลวัดทับมิ่งขวัญเป็นเหมือนน้องใหม่วัดสนามในเป็นเหมือนที่ใหญ่วัดโม่ก็เป็นเหมือนพี่วัดทับมิ่งขวัญเนี่เป็นเหมือนน้องยังเล็กอยู่ให้ช่วยกันดูแลซึ่งทับมิ่งขวัญตั้งไม่ใหม่หลวงพ่อก็กลัวว่าทับมิ่งขวัญจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าความมั่นคงก็ยังไม่มีท่านก็ามาเมรณนะ ซึ่งท่านตั้งยังไม่นานก็มาโมละตั้งแต่ก่อนอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งนั้นจะเป็นปา่าช้าแล้วก็ซื้อที่เป็นต่อจากคลอกหมูของพ่อเทียนท่านมองเห็งตาเลตรงนี้ก็เลยมาตัดน้ําเลยโถมทานเข้ามาซึ่งก็ยังทําไม่เสร็จแต่พื้ง่ายๆแล้วพื้นจะก่อตั้งก็เริ่มท่านก็โมลานะท่านก็เลยบอกว่าให้ช่วยกันดูแลทับนิ่งขวัญ ตรงนี้ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติเพราะว่าท่านเป็นคนเมืองเลยท่านก็อยากมาอยู่เมืองเลยนะอยากวนะ่ามรณะที่นี่เราจะได้เห็นจากคําพูดที่คณะสิจารณสิทิ์ขเขียนไว้ในในหนังสือปกติที่ว่าวันที่หกกันยายนหลงวงพ่อเตียนออกจากโรงพยาบาลสมิตตเวสมาพักอยู่ที่วัดสนามมาพรนักอยู่ที่วัดสนามใน ท่านปาลบอยากจะกลับเมืองเลยทุกสิทธ์ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ต้องได้กลับมาอีกเพราะว่าหมอนัดหลวงพ่อในวันที่สิบสามกันยาซึ่งจะต้องกลับมาพบหมอท่านป่วยหนักแล้วเนาะหลวงพ่อเตือนท่านว่าหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อจะไม่กลับมาอีกก็คือท่านท่านคิดว่าจะจะมามาลณะที่นี่นะมีวันที่ ท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปจองตัว๋วจองขาเดียวไม่ต้องจองไปกลับท่านบอกงั้น ท, ท่านคงจะคิดว่าไม่ได้กลับไปอีกแล้ววันที่เก้ากันยาก็ได้ขึ้นเครื่องมาที่ทับมินควนจากวันที่เกกันยามาถึงวันที่สิบสามกันยาท่านไม่ฉันอะไรเลยแต่มาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุกางณ์แต่ปีน้ำจาพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มหารนนิเรกบางทีก็ได้ติดตามท่านมาบ้าง แต่ถามคนที่อยู่ใกล้ชิดอย่างหลวงพ่อมหาบททองอาจารย์น้เพนก็ดีหลวงพ่อเทียนท่านไม่ฉันอะไรแม้แต่ยาแม้แต่ข้าวแม้แต่อาหารถ้าท่านคอแห้งก็แม้จิบน้ำนิดหน่อยแค่นั้นเลยตั้งแต่วันที่9มาถึง13กันยาจึงมองว่าด้วยความฉลาดของผู้ที่เป็นปรมาจารย์ในการเจริญสติ เพราะว่าการไม่สัญญาไม่ฉันอะไรมันจะทำให้สติตั้งมัน่นเราก็ทราบว่ารัยาบางอย่างมันจะไปคุมสรีระทางระบบประสาททางระบบจิตใจอาจจะทำให้ไม่ไม่สัมผัสกับตัวรู้ได้ชัดแจ้งทีนี้เมื่อท่านปฏิเสธยาปฏิเสธอาหารก็คือเหมือนกับว่าจะให้มีสติตั้งมัน่นแบบไม่มีอะไรมาแทรก มาทําให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็าติว่าเป็นเป็นความฉลาดท่านวันที่สิบสามคันยาท่านก็มรณะอันนี้แหละคือท่านตั้งใจจะมามรณะที่เมืองเลยท่านเป็นคนเมืองเลยวันนันอันนี้ก็พูดต้อนรับปฏิสันถานแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านแม้แต่คณะญาติโยมผู้ที่เคยมาแล้วก็ดีผู้ที่มาใหม่ก็ดี จมาในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ร่วมประสานงานครั้งนี้ร้อยปีนะร้อยปีครั้แต่จะมามีกําลังใจมากในระ้อยปีตั้งแต่ได้รับไปร่วมประชุมอยู่อ๋อจดหมายเหตุอยู่บ้านอารีแล้วก็ไปร่วมจัดในที่ต่างๆซึ่งทราบว่าจัดเป็นทางการจริงๆก็ร่วมสิบครั้งตังแต่อยู่ภาคใต้สงขลาไปเชียงใหม่ ที่ลงเฮียนล้านนาที่เชียงใหมฆพระยมจัตวาณนะครับไปที่วัดทนพระอาจารย์ดวงศิลอาจารย์ดวงศิลท่านก็จัดอันตรปีที่แล้วนะครับไปที่จังหวัดสกลนครนะนะราชาพัฒสกลนครอาจารย์สุริยาแล้วก็ไปที่วัดพระนอนจักรสีของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อ แล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีแล้วก็ไปที่มหาลัยมหิดลและที่สำคัญก็คืออยู่ที่หอดจดหมายเหตุของพ่อพุทธทาสเดี๋ยวนี้ก็ยังจัดนะทุกสั ป, ปดาห์ที่สองของเดือนเรามีลูกมีหลานโยมเทียบก็บอกไม่ไปฟังได้่ ว, ว่นนี้ท่านอาจารย์มหาเดเรก็พึ่งไป เพราะฉะนั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนคณะไปร่วมตลอดหรือผ่านแล้วปีหนึ่งเขาจะยังให้ต่ออีกปีหนึ่งในสัปดาห์ที่สองของเดือนเพราะฉะนั้นงานร้อปีครั้งนี้ตามาว่าเป็นการจัดที่คุ้มค่าโดยเฉพาะตัวอาตมาเองเอตามาเองจัดเจ็บอารมณ์นะที่ทับนิ่งขวัญเนี่ยจะจัดเจ็บอารมณ์ปีละสองครั้งเดือนละสองครั้งในวันที่หถึง13 20- ามถึงยีของทุกเดือน แตมาก็ถือนิมิตว่าวันที่ห้าคือวันเกิดหลวงพ่อเตียนวันที่สิบสามคือวันมรณะแล้วก็วันที่ยี่สิบก็คือวันประชุมเพลิงนะแม้จะ ต, ต่างเดือนกันก็สร้างสร้างนิมิตให้เป็นกําลังใจก็ประกันเจ็บปารลมที่เจ็บปารลมตั้นิ่งขวนก็เจ็บแบบอยู่เฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรให้ดูตัวเองที่สําคัญก็คือให้ดูตัวเอง ข้าจนั้นก็เป็นอันนี้สมจัดมาตั้งแต่เดือนเมษาปารบเหตุแรกๆก็คือท่านหลวงพ่อเจ้าขุนท่านว่าจะนำคณะผู้ที่ทำงานร้อยปีทั้งมนิธิทั้งสายงานมาร่วมเจ็บอารมณ์วันที่ 20-27 ถึง เ, เมษายนแต่ปรากฏว่าใกล้การเจ็บอารมณ์จริงๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการเปลี่ยนแปลงในเมื่อไม่พร้อม หลายส่วนในเมื่อได้กําหนดไว้แล้วตมาก็เลยเริ่มเจ็บมาตั้งแต่ครั้งนั้นเลยยี่สิบถึงยี่บเจ็ดครั้งแรกแล้วก็เมื่อเห็นอานนี้สงครั้งแรกแล้วเออเราน่าจะ จ, จัดมากกว่านี้นะร้อยปีร้อยงานร้อยวันในการเจ็บอารม์ถ้าเราเจ็บเดือนละสิบห้าวันมันน่าจะเกินร้อยวันก็เลยทํามาตลอดก็เป็นอานนี้สงอย่างมากไม่ใช่ว่า ก็เห็นอา น, นิสงส์งตรงนี้เลยว่าร้อยปีเราก็ไม่ขาดทุนก็ยังถือว่าได้ได้นิมิตหมายอันดีในการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงหลวมพอเพียงในการที่จะปฏิบัติให้เข้าสู่หลักที่จะนําไปใช้กินเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีธรรมะตัวนี้อยู่ในตัวคนถ้าเราทําให้ถูกเรามีกิริยานามิตที่ถูกก็คงจะได้รับอานิสงส์ ก็คงจะใช้เวลาต้อนรับล่าอะไรเป็นเบื้องต้นเนะก็คงจะสมควรเจรเวลาในท้ายที่สุดของการแสดงพระสัตตมเทศนาก็ขอกล่าบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านทุกๆ ท, ท่านแล้วก็ขอขอบคุณคณะญาติโยมแล้วก็ขอให้ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้การปฏิบัติของเราในครั้งนี้จงสำฤทธิผลด้วยการได้สัมผัสกับ กับตัวรู้สึกตัวสติตัวสมาธิปัญญาในตัวเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน